กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมเซนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่40สิบเรื่องผู้เจียมตัวที่ทำงานใหญ่ผู้เจริญทั้งหลายท่านพระสารีบุตรแม้เป็นผู้มีความรู้มาก มีปัญญามากซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตั้งไว้เป็นเอตตะคะในฐานะเป็นพุลเลิศทางมีปัญญาและในฐานะเป็นอัครส า, าวกร่วมกับพระโมคคารนะนับเป็นตราชูและเป็นประมาณคือแบบอย่างของภิกษุผู้เป็นสาวกทั้งหลายแต่ท่านก็มีความเจียมตัวสำรวมระวังเป็นผู้พร้อมจะขอโทษเมื่อเห็นว่าผู้ใดเข้าใจว่าท่านล่วงเกินนอกจากนั้น ท่านยังสรนเริลความเป็นผู้มีน้ำใจหนักแน่นไม่มักโกรธจนเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าท่านบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างได้จริงๆท่านผู้เจริญทั้งหลายพระรามผู้หนึ่งได้ยินตีเด็์ท่านว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องไม่โกรธใครก็เห็นเป็นเรื่องขบขันไม่น่าเชื่อจึงลองดูด้วยตนเองภายหลัง ที่ได้โต้เถียงกับผู้อื่นผู้กล่าวสรรเสริญคุณของท่านแล้วในขณะที่ท่านเดินเพื่อปิญธบาดในเช้าวันหนึ่งพ ร, รามผู้นั้นจึงเดินตามไปข้างหลังทุบหลังของท่านพระส่ายรีบุตรอย่างแรงพระเถระไม่ได้แสดงอาการแม้เหลียวมาดูว่าใครประทุสร้ายท่านคงเดินไปตามปกติซึ่งได้ยังความเร่าร้อนใจในภายหลังให้เกิดจพ ร, รามนั้นเป็นอย่างยิ่งพ ร, รามสานึกผิดในความผิดของตน และเห็นประจักษ์ในคุณธรรมของพระเถระจึงก้มลงกราบแทบเท้ากล่าวคำขอขมาโทษพระเถระจึงถามถึงเรื่องที่ขอขมานั้นเมื่อได้ทราบว่าพ ร, รามทดลองดูว่าจะเป็นผู้อดทนหรือไม่ท่านก็ตอบทันทีว่าท่านยินดียกโทษให้พ ร, รามกล่าวว่าถ้าท่านยกโทษจริงก็ขอนิมนต์ไปฉันทที่บ้านของตนพ ร, รามจึงยื่นมือไปขอรับบาดมาถือ ซึ่งพระเถระก็มอบให้แต่เหตุการณ์ที่พรามผู้นั้นเดินตามแล้วทุบหลังพระเถระนั้นได้มีผู้รู้เห็นเป็นอันมากและเนื่องจากคนทั้งหลายเขารบบูชาในพระเถระอย่างยิ่งจึงพากันโกรธเคืองพากันเฉยท่านไม้ก้อนดินเป็นต้นจะช่วยกันทําร้ายเมื่อเห็นพระเถระมอบบาดให้พราหม์นั้นถือไปจึงขอร้องให้ท่านรับบาดคืนมาพวกตนจะจัดการกับพราหมณ์นั่นเอง พระเถระจึงถามว่าพวกท่านจะทําอะไรกับพราหม์นั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพราหม์ผู้นั้นประทุษร้ายท่านพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจึงต้องจัดการพระเถระกลับกล่าวว่าเมื่อพราหมณนั้นประทุษร้ายข้าพเจ้าไม่ได้ประทุษร้ายพวกท่านทั้งประทุษร้ายแล้วก็ขอโทษแล้วขอพวกท่านทั้งหลายจงกลับไปเถิดอย่าถือโทษโกรธพราหมณ์เลย อันเป็นเหตุยุติกันแต่เพียงเท่านี้พรหมามนั้นจึงได้รอดจากการถูกมหาชนทำร้ายด้วยประกาศราชนีผู้เจริญทั้งหลายสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรเทระถูกภิกษุ ร, รูปหนึ่งกล่าวหาว่าทำผ้าสังคาติฟาดใบหูแล้วไม่ขอขมาโทษจึงไปฟ้องต่อสมเด็จพระบรมศาสดา พระองค์ตรัสให้พาพระสารีบุตรเข้าเฝ้าเพื่อซักไซต์ไต่ถามแต่ข่าวนี้กลายเป็นเรื่องสนใจของพุทช่ั้งหลายเป็นอันมากแม้พระโมกขลานะและพระอ น, นุ์ก็รีบมาสู่พระวิหารเพราะแต่ละท่านเหล่านั้นต่างหวังว่าจะได้ฟังคำบรรลือสีนาะในทางธรรมของพระธรรมเสนาบดีมูลเหตุที่พิสูจนนั้นจะกล่าวททษพระสารีบุตรก็ด้วยปรารถนาจะให้พระเถระทักทายปราศัย แต่ในขณะที่พิกษุเยืนอยู่มากรูปด้วยกันพระสารีบุตรทักทายไม่ทั่วถึงจึงนึกเคียดแค้นว่าเหตุฉนัยจึงมองข้ามตนไปเมื่อมีโอกาสที่เผอิญผ้าสังาติของพระสารีบุตรถูกตัวเพียงเล็กน้อยก็ถือเอาเลสนั้นกล่าวหาว่าทำผ้าสังาติฟาดใบหูแล้วไม่ขอโทษเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกข้อความนั้นในที่ประชุมสงฆ์เกี่ยวกับการกล่าวหาของพิกษุนั้น พระสารีบุตรเทวราเจ้าจึงพนานาความรู้สึกของท่านต่อการมีชีวิตในโลกนี้เคยเปรียบตัวเองเสมอด้วยดินบ้างน้ำบ้างไฟบ้างลมบ้างเมื่อมีคนทิ้งของโสโครกหรือมูดคูดเคละหนองเลือดใส่ก็ไม่ได้แสดงอาการเกรยดชังเหนื่อยหน่ายหรือเปรียบเหมือนผ้าเช็ดเรือนที่ใช้เช็ดของโสโครกมีระการต่างๆผ้านั้นก็ไม่แสดงอาการโกรดเคืองหรือมิฉนั้น เปรียบเหมือนเด็กซึ่งเป็นลูกของคนจันทานอันเป็นคนสกุลต่ำเป็นที่ถูกเหยียดหยามของคนทั้งหลายเมื่อเข้าไปสู่คามหรือนิคมย่อมเกียมตัวเป็นอันดีหรือเปรียบเหมือนโคที่ถูกตัดเขาถูกฝึกไว้ดีแล้วเดินไปตามถนนหนทางหรือตรอกซอยก็ไม่ขิดไม่พรวดสารายใครหรือเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่รักสวยรักงามเมื่อมีใครนําศพงูศพ ส, สุนัข มาแขวนคอย่อมเบื่อหน่ายตัวท่านเองก็มีความรู้สึกในชีวิตร่างกายเหมือนสรากศพไม่ได้หยิงพยองลำพองใจประการใดนอกจากนั้นถ้าจะเปรียบได้คนแบกหม้อน้ํามันเหลวซึ่งมีรูรั่วน้ํามันรั่วรดอยู่ตลอดเวลาย่อมไม่มีแจใจจะลำพองหรือถือดีตัวท่านที่บริหารร่างกายอยู่ทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนแบกหม้อน้ํามันเหลวฉะนั้น ความตั้งสติในกายของท่านอาจไม่รอบคอบเป็นเหตุทำให้สังคาติกระทบเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ขอโทษก็เป็นได้ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวพรรณ น, นาความรู้สึกของท่านที่ม่ใช่ผู้หญิงหรือลาพองใจมีความรู้สึกเยี่ยมตัวอยู่เสมอเช่นนี้ภิกษุผู้กล่าวหาก็สะลดใจแล้วกล่าวขอขมาโทษที่อ้างเลสเพียงเล็กน้อยแล้วกล่าวหาท่าน สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าผู้ใดสำนึกตนว่าผิดแล้วทำคืนเสียให้ถูกทำย่อมเชื่อว่ามีความเจริญในอเรียวินัยดังนี้ผู้เจริญทั้งหลายในยามที่เกิดความไม่สงบอันเนื่องมาแต่ความคิดขัดแยง้งแข่งดีของพระเทวทัตผู้มีบริวารมาก ผู้คิดจะตั้งตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียเองจึงคิดการให้พระเจ้าเอาชาติตรูมาเป็นพวกยุยงพระราชาให้ยึดเอาราชาณาจักจากพระเจ้าพิมพิสารผู้ราชบิดาโดยจับขังไว้และปล่อยให้อดถึงสวรรคตในที่สุดเมื่อได้กำลังทางบ้านเมืองส่งเสริมแล้วก็กราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาขอเป็นผู้บริหารสังฆมณฑลต่อไปเองโดยอ้างว่า พระาศาสดามีชนมายุแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสปฏิเสธก็หาวิธีทําร้ายส่งนายขมังธนูหลายคนไปยิงแต่นายขมังธนูก็ไม่ได้ยิงกลับเลื่อมใสประกาศตนเป็นสาวกของพระาศาสดาในเมื่อได้สดับพระพุทโธวาดอันประกอบด้วยอัตธรรมในวรรคที่สองพระเทวทัตลงมือเองคือขึ้นไปอยู่บนเขาชิชกูดเมื่อสําเร็จพระบรมศาศสดาเสด็จผ่าน ก็ผลักหินก้อนใหญ่ลงมาหวังจะให้ทับหรือกระทบจนถึงแก่พระชนม์ชีพแต่หินนั้นก็ไม่กระทบเพียงแต่สะเก็ดเล็กๆ ก, ก, กระเด็นมาต้องพระบาททำให้เกิดอาการห้อพระโรฮิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องก็พากันอยู่ยามแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าในราตรีท่องบนสาธยายด้วยเสียงอันดังด้วยเกรงว่าพระเทวทัตจะส่งคนมาทาร้ายพระศาสดา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบก็ทรงห้ามการอยู่ยามแวดล้อมนั้นเสียสั่งให้กลับไปสู่วิหารของตนของตนเพราะตถาคตเจ้ายอมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นจึงไม่ต้องมาอารักขาคุ้มครองนอกจากนั้นยังทรงแสดงด้วยว่าศาสดาหาประการต้องอาศัยหรือหวังความคุ้มครองของสาวกคือศาสดาผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ มีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์แต่แสดงตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มีการตอบคำถามไม่บริสุทธิ์มียานทัศนะไม่บริสุทธิ์มีการแสดงธรรมไม่บริสุทธิ์ในทางทั้งหานั้นส่วนตถาคตไม่ต้องหวังความคุ้มครองของพระสาวกเพราะไม่ได้เป็นดังนั้นในวาระที่สาม เทบทัตได้ติดต่อกับควานช้างของพระราชาให้ปล่อยช้างในาราคิรีทำร้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่เสด็จผ่านมาทางแคบโดยอ้างตนเป็นผู้คุ้นเคยของพระเจ้าอาชาตศัตรูเมื่อพรานช้างเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านมาทางแคบแต่ไกลจึงปล่อยช้างเพื่อให้ทำร้ายช้างก็ยกงวงหูตั้งวิ่งเข้าหาภิกษุทั้งหลายเห็นเข้าจึงทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้เสด็จกลับหรือหลีกทางเสียแต่ก็ไม่ทรงหลีกทรงดำเนินไปข้างหน้าตามปกติเมื่อช้างเข้าใกล้ทรงแผ่อำนาจจิตประกอบด้วยเมตตาไปช้างนั้นก็กลับยืนนิ่งและเอางวงจับฝุ่นที่ประบาทพระศ า, ศาสดามาโปรโยบนศีรษะของตนแล้วกลับเข้าสู่โรงช้างไปเมื่อเห็นว่าจาบพรุษรายสมเด็จพระบรมศาสดาไม่สาเร็จเทวทัตจึงเสนอข้อปฏิบัติหประการ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อวินัยของพระบรมศ า, ศาสดาหให้คนทั้งหลายเห็นว่าข้อเสนอของพระเทวทัตเป็นไปเพื่อความเคร่งครัดเมื่อพระองค์ปฏิเสธและยืนยันทางสายกลางจึงแยกพวกตั้งตนเป็นศาสดามีภิกษุเป็นบริวารเป็นอันมากแยกไปอยู่นาคยาศีสะประเทศเพื่อแข่งขันกับพระบรมศาสดาโดยมีภิกษุโกกาลิกะและอื่นๆร่วมเป็นพวกด้วยภิกษุที่เป็นบริวาร น, นั้นโดยมาก เป็นผู้บวชใหม่ไม่รู้ความจริงจึงถูกเกลี้ยกล่อมได้โดยง่ายสมเด็จพระบรมศาสดาได้ส่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพร้อมด้วยพระโมคคัลลานะไปเจรจากับพระสงฆ์ที่เป็นบริวารของ ท, ทิเบตทัดซึ่งเมื่อแสดงธรรมให้ท่านเหล่านั้นฟังแล้วก็กลับใจเห็นชอบ ตามโอวาทพระเระเจ้าพร้อมกันกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาซึ่งดียังความโกรธความโทมนัดให้เกิดแก่พระเทวทัตถึงอาเกียนเป็นโลหิตผู้เจริญทั้งหลายในการปฏิบัติงานเป็นทูตไปเจราจาครั้งนี้สมเด็จพระศาสดาสรนเสริญท่านพระธรรมเสนาบดีสริบุตรวา่าประกอบด้วยคุณธรรมของผู้เหมาะสมจะเป็นทูต8ประการคือ 1. เป็นผู้รู้จักฟังคนอื่น 2. เป็นผู้รู้จัก ทำให้คนอื่นฟังตน 3. เป็นผู้มีการศึกษาดี 4. เป็นผู้มีความทรงจําดี 5. เป็นผู้รู้ความที่เขาพูด 6. เป็นผู้ทําให้คนอื่นรู้ความที่ตนพูด 7. เป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และ8เป็นผู้ไม่ชวนทะเละวิวาทผู้เจริญทั้งหลายนี่คือเหตุการณ์ตอนหนึ่งซึ่งท่านพระธรรมสนาบดีผู้เคยประรากาศตนว่าเป็นผู้เยี่ยมตัว เหมือนคนสกุลต่ำเข้าสู่ที่ประชุมเหมือนโคถูกตัดเขาและถูกฝึกไม่ให้ทำร้ายใครได้ทำหน้าที่กู้ความยุ่งยากในพระศาสนาชักจูงพระสงฆ์ประมาณ500รูปให้กลับมาจากผู้คิดมีชอบเป็นการร่วมช่วยเหลือสมเด็จพระบรมศาสดาในยามสำคัญได้เป็นอย่างดี ผู้เจริญทั้งหลายตามธรรมดาการปกครองคณะสงฆ์เมื่อมีผู้เข้ามาอุปสมบทมากขึ้นบุคคลเหล่านั้นมีอัธยาศัยต่างๆกันดีบ้างเลวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างผู้มีอัธยาศัยแล้วก็นำความเคยชินในทางที่ไม่ไดีติดมาในสมัยที่อุปสมบทแล้วด้วยในสมัยหนึ่งมีภิกษุพวกอัชชิและปุณพสุกะคณะใหญ่ซึ่งรวมอยู่กันในอาวาสณตำบล กิตาคิรีเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนประพฤตินอนาจารถือการที่ไม่เหมาะไม่ควรมีประการต่างๆเช่นฟ้อนรำขับร้องประจบครือหัดเพื่อหวังลาบสักการะมิใช่ทำตนให้เขานับถือด้วยคุณงามความดีนอกจากนั้นยังเล่นตลกขนองมีประการต่างๆความทราบถึงสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ สองอ克拉สาบกุกเดินทางไประ ง, งับเหตุร้ายชี้ให้เห็นอาบัตและทำบารจินิยกรรมเป็นการรักษาระเบียบแบบแผนวินยัยไว้ให้ยั่งยืนสืบไปพระสารีบุตรเทรเจา้าพร้อมด้วยพระโมคคัลลานะก็รับภาราจัดการให้เรียบร้อยด้วยดีเป็นเหตุให้เหล่าภิกษุอาัชีกระจัดกระจายคุมกันไม่ติดและบางพวกก็ต้องออกไปจากพระธรรมวินยัย ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อปริสถานสังฆมณฑนขึ้นแล้วการอบรมให้ภิกษุสงฆ์อยู่ประจำในอาวาสในทิ่ทั้งหลายเข้าใจหลักคำสอนอันถูกต้องอันควรสามารถชี้แจงโต้ตอบให้ผู้มาไต่ถามได้ทราบก่อนย่ำเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดามักจะทรงมอบให้พระสารีบุตรเทวเจ้าเป็นภราระอันสาคัญนี้เช่นในสมัยหนึ่งประทับอยู่ เทวทหานิคมแขวนสักกะภิกษุชาวปัชาภูมิซึ่งเดินทางไกลามาเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาจะเดินทางกลับไปสู่ทินเดิมจึงเข้ากราบถวายบังคมลาพระองค์ตรัสถามว่าเธอทั้งหลายลาสาริบุตรแล้วหรือยังเมื่อกราบทูลว่ายังไม่ได้ลาจึงตรัสสั่งให้เป็นลาพระสาริบุตรเถระและสรรเสริญพระเถระว่าภิกษุทั้งหลายสาริบุตรเป็นบัณฑิตย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์ เพื่อนพรมจารีคือผู้ร่วมประพฤติพรมจันท ร, ร์ดังนี้เมื่อภิกษุชาวปั ช, ชาภูมิเปลาพระสารีบุตรท่านก็ชวนสนทนาถึงเรื่องที่อาจจะมีบัณฑิตที่เป็นกษัตริย์พรามคราบดีหรือสมณะไต่ถามถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งแนะวิธีตอบในทางที่จะไม่เสียหายแก่สมเร็จพระบรมศาสดาจะเป็นคาตอบอันถูกต้องโดยถูกทำและไม่ถูกตีเตียนนี้ ยัอมเป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งที่พระธรรมเสนาบดีได้รับความไว้วางพระหรุทัยของสมเด็จพระธรรมราชาให้ควบคุมชี้แจงหลักธรรมของพระองค์ผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาเคยทรงเล่าถึงเรื่องพระสารีบุตรเีรเจ้าพิจารณาเห็นแจ้งวิปัสสนาตามบทแห่งธรรมโดยลาดับตลอดเวลาถึงเดือนคืออนุบุพภวิหารก้าอันได้แจ รูปฌานสี่รูปฌานสี่และสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วตรัสสรรเสริญว่าเป็นผู้มีความชำนาญมีบารมีในศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตอันเป็นอริยะเป็นผู้หมุนธรรมจากจเจริญรอยตามที่ตถาคตหมุนไปแล้วได้ดีไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้จเจริญทั้งหลายในสมัยหนึ่งเป็นวันอุโบสถ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูนะ่ณปลาสวรรค์ในนิคมชื่อและกาปานะเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วเห็นภิกษุสงฆ์ยังสนใจสดับตรับฟังต่อไปอีกจึงทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเทจ้าแสดงธรรมะแทนซึ่งพระเะในยกข้อธรรมปฏิบัติขึ้นแสดงสิบประการคือศรัท ธ, ธาในกุศลธรรมฮิริโอตปะความเพียรปัญญา การเงียสวดสดับฟังการทรงจำธรรมะการพิจารณาเนื้อความการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะและความไม่ประมาทในกุศลธรรมของผู้ใดไม่มีผู้นั้นจะเหมือนดวงจันทร์ในราตรีกาลปักของผู้ใดมีผู้นั้นจะเหมือนดวงจันทร์ในราตรีชุนหปักซึ่งพระบรมศ า, ศาสดาได้ประทานสาธุการรับรองภาษิตของพระเถระวาชอบแล้วนี่แล คือความเป็นมาบางตอนของพระธรรมเทศนาบดีผู้ประกาศตนว่ามีความเกียมตตนเหมือนโคถูกตัดเขาและถูกฝึกไม่ให้ทำร้ายใครหรือเหมือนเด็กลูกคนจันทานเมื่อเดินเข้าสู่คามนิคมมีความเกียมตนฉะนั้น